ความหมายของจริยาจริยาแปลว่าความประพฤติปกติหมายถึงพื้นเพของจิตพื้นนิสัยลักษณะความประพฤติที่หนักไปทางใดทางหนึ่งตามสภาพจิตที่เป็นปกติของบุคคลนั้นๆตัวความประพฤติหรือลักษณะนิสัยนั้นเรียกว่าจริยาบุคคลผู้มีลักษณะนิสัยและความประพฤติอย่างนั้นๆเรียกว่าจริตตัวอย่างเช่น คนมีราคะจริยาเรียกว่าราคะจริตเป็นตน้นโดยประเภทใหญ่ๆจัดจริตเป็น6กคือ1ราคะจริตผู้มีราคะเป็นความประพฤติปกติมีลักษณะนิสัยหนักไปทางราคะประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงามนมุนนามัยควรใช้กรรมฐานคู่ปรับคืออสุภะและกายคตาสติ2โทสะจริต ผู้มีโทสะเป็นความประพฤติปกติมีลักษณะนิสัยหนักไปทางโทสะประพฤติหนักไปทางใจร้อนหงุดหงิดรุนแรงกรรมฐานที่เหมาะคือเมตตารวมถึงพรมวิหารข้ออื่นๆและกสินโดยเฉพาะวันณกกสินสามโมหะจริตผู้มีโมหะเป็นความประพฤติปกติมีลักษณะนิสัยหนักไปทางโมหะประพฤติหนักไปทางเขาเหงา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 ใจของคนราคะจริตจะไปจับอยู่ที่ส่วนนั้นติดใจเล็งแลอยู่ได้นานๆส่วนอื่นที่เสี ย, สยไม่ได้ใส่ใจส่วนคนโทสะจริตแม้ของนั้นจะมีส่วนดีอยู่หลายอย่างแต่ถ้ามีส่วนเสียหรือข้อบอกพร่องอยู่สักหน่อยใจของเขาจะกระทบเข้ากับส่วนที่เสียนั้นก่อนไม่ทันได้พิจารณาเห็นส่วนดีก็จะไปเสียเลยคนพุทธจริต คล้ายคนโทสะจริตอยู่บ้างที่ไม่ค่อยติดใจอะไรแต่ต่างกันที่ว่าคนโทสะจริตมองหาส่วนเสียหรือมองให้เสียทั้งที่ไม่เป็นอย่างนั้นจริงและพระไปอย่างหงดหงิดขัดใจส่วนคนพุทธิจริตมองหาส่วนเสียข้อบกพร่องที่เป็นจริงและเพียงแต่ไม่ติดใจผ่านไปส่วนคนโมหจริตมองเห็นแล้วจับจุดอะไรไม่ชัดออกจะเฉย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 อาหารเป็นต้นท่านก็ยังแนะนําให้เลือกสิ่งที่เป็นสปายะคือเกื้อกูลเหมาะกันด้วยกรรมาฐาน40นั้นนอกจากเหมาะกับจริตที่ต่างกันแล้วยังต่างกันโดยผลสําเร็จที่สามารถให้เกิดขึ้นสูงต่ํามากน้อยกว่ากันด้วยคือมีขอบเขตในการให้เกิดสมาธิระดับต่างๆไม่เท่ากันดูรายละเอียดได้ในตารางของแผนภูมิที่16บสอง